ส่นมากก็ราวนาเป็นนะนะราวนาเป็นเราก็ทำบ่อยๆแยกขันไปเรื่อยๆลก็เห็นขันแต่ละขันทำงานไปเรื่อยๆเห็นมากข้าวมากข้าววันหนึ่งใจมันก็ยอมรับความจริงว่าขันมันไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าฝึกมากไปอีกจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ สุดท้ายพอเห็นขันเป็นตัวทุกข์เป็นของไม่ดีไม่มิเศษนะจิตก็ปล่อยขันจิตวางขันไปแล้วก็ พ, พ้นจากทุกข์นล้วเองเพราะตัวขันนั่นตัวทุกข์นี่พวกเราถ้าเป็นธรรมาล่างๆตื่นๆไหนก็เห็นเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พลรดพากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ จะเห็นอันนั้นเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทุกข์ปรากฏออกมาชัดตอนมันแก่ตอนมันเจ็บตอนมันตายอะไรตอนพลัดพรากจากสิ่งที่รักตอนเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นอาการที่มันปรากฏขึ้นในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์ก็คือตัวกายกับใจนั่นแหละใครมันแก่ใครมันเจ็บใครมันตายก็กายมันแก่มันเจ็บมันตาย ใครพ ล, ดพลาดรักจากสิ่งที่รักใครเจอสิ่งที่ไม่รักใครไม่สมหวังจิตเป็นคนทำทั้งสิ้นเลยร่างกายเราไม่มีคนใกล้ชิดไม่มีคนรักไม่มีคนเกลียดร่างกายนะจะรักคนจะเกลียดคนอยู่ที่จิตจะสมหวังจะผิดหวังอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายงั้นตัวทุกข์ที่แท้จริงกนะ็คือตัวรูปนามกายใจ มีอาการปรากฏของความทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายความพลดัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความโศกเศร้าร่ำไรลาพันธ์นี่ก็เรื่องของทุกข์ทางใจอาการปรากฏของทุกข์ทางใจมันมันทุกข์ขึ้นมานละ้มันก็เลยมาโศกเศร้าร่ำไรลาพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจ บางทีกายนี่บางทีหมายถึงนามกายก็ได้นะหมายถึงตัวเจตสิกข้างหลังเนี่ยนะมันมีร่างกายโดดมาอันหนึ่งคือกายธรรมะของท่านปกติแสดงเป็นหมวดหมูความแก่ความเจ็บความตายนี่ส่วนของกายพลาดพาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมหวังความโศกความล่ำไรลำพันธ์มันมีไม่สบายกายโดดขมาแล้วไม่สบายใจขับแขนใจ กายตัวนี้ดีไม่ดีน่าจะหมายถึงนามกายตัวเจตสิกแล้วตัวใจก็ตัวจิตเป็นตัวทุกข์เ น, นี่ยถ้าเราปฏิบัตินะแล้วเราคุ้นกับธรรมะที่พระเจ้าแสดงเราจะรู้ท่านแสดงอะไรเป็นหมวดหมว ด, มดไม่ค่อยกระโดดหรอกไอ้ที่จะโดดข้ามไปคร่อมมาไม่มีไม่เคยเห็นงั้นบางทีแปลเป็นภาษาไทยนะแล้วธรรมะมันเคลื่อน รวมความนะตัวทุกข์ก็คือตัวกายกับใจแล้วก็แสดงอาการทุกข์ออกมาให้เห็นกายแสดงอาการทุกข์ให้เห็นด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายแสดงอาการทุกข์ของกายออกมาให้เห็นใจแสดงอาการทุกข์ของใจให้เห็นด้วยความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักไม่สมหวังโศกร่ํำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจกายตัวนี้ น่าจะเป็นนามกายความคับแค้นใจความเสงี่ยมอะไรนี่กเบือ่อนี่เป็นอาการปรากฏของทุกทางใจถ้าเบื้องต้นเห็นแค่อาการปรากฏของตัวทุกข์นะมันก็จะหาทางแก้เป็นคราวๆไปมันแก่ก็หาทางจะไม่ให้แก่ทําไงไม่แก่เสริมสวยอย่างน้นอย่างนี้ฉีดสารเคมีอย่างน้นอย่างนี้หวังจะไม่แก่ เจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาไปตายก็ดิ้นรนไม่อยากตายดิ้นรนจะหาสิ่งที่รักดิ้นรนปฏิเสธสิ่งที่ไม่รักพยายามทาสิ่งที่อยากให้ได้มาให้ได้นี่เป็นความดิ้นรนเพื่อจะแก้อาการปรากฏของทุกข์แต่ไม่มีใครสามารถแก้ตัวทุกข์ได้เลยตัวทุกข์ก็คือตัว รูปนามขันห้ากายใจนี่เองไม่มีใครจะแก้ความเป็นตัวทุกข์ของเขาได้เนี่ยถ้าเราค่อยภาวนานะให้เห็นตัวขันห้าเป็นตัวทุกข์รูปนามตัวกายตัวใจเป็นตัวทุกข์ถ้าเข้าใจตัวนี้นะนความทุรนทุรายของจิตที่จะไปแก้อาการปลากขกของทุกข์ก็ไม่มีด้วยทรามาลึกซึ้งนะค่อยฟังค่อย ค, อยคอยเรียนอริยสัจลึกมาก ไม่ตื้นหรอกได้ยินบางคนพูดอริยสัจพูดปฏิจจสมบาทิจ้อยจ้อย้ อ, ย อ, ยอไม่เข้าใจหรอกท่องเอาไว้มันไม่ถึงอกถึงใจไม่ใช่เราไปอ่านปฏิจสมบัตอ่านอริยสัจแล้วรู้เรื่องนะเพราะถ้าใครรู้แจ้งอริยสัจ ร, รู้แจ้งปฏิจจสมบัติจะไม่เกิดอีกละวงั้นไปท่องไว้ไปอ่านไว้นะ ไม่เคยเห็นของจริงว่ารูปนามกายใจเป็นตัวทุกข์นั้ไม่มีทางเลยที่จะพ้นจากวัตอะจิตจะรักทีห่หวงแหนรูปนามกายใจนี้เราแยกธาตุแยกขันธ์ไปค่อยดูไปแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์ส่วนของรูปร่างกายอะไรพวกนี้เห็นไปเลยโ่าเป็นของเป็นทุกข์แท้ๆเลยมันเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบขั้น มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เราเราสั่งมันไม่ได้จริงไม่อยู่ในอำนาจ บ, าบังคับบัญชาจิตใจนี้ก็เหมือนกันเห็นมันเป็นทุกข์ท่องแท้นะจิตใจเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันถูกบีบคั้นเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจเหมือนกันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปแยกขันแล้วก็ดูขันเขาทํางานไปในสุดก็เข้าใจขันเข้าใจขันก็เรียกเข้าใจทุกข์เรียกรู้ทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้ง จิตจะวางทุกข์ลงไปไม่รู้จะยึดทําไมไม่ใช่ของดีพอวางลงไปนะักความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกมันรู้ทุกข์นะมันก็ละทุกข์ไปได้ปล่อยทุกข์ทิ้งไปได้มันรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแนละ้วมันจะปล่อยพอปล่อยแล้วนะความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกลนะทันทีที่รู้ทุกข์เนี่ยก็ละสมุทัยเด็ดขาดในขณะนั้นเลยละทีเดียว อย่าพวกเราเวลาความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันแล้วมันดับใช่ไหมเดี๋ยวก็อยากใหม่อันนี้มันไม่ได้ลาไปด้วยการรู้ทุกข์แต่ถ้ามันรู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งมันรู้กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์มันจะละความอยากในขณะที่รู้ทุกข์นั่นเลยรู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งก็ละสมุทัยในขณะนั้นแล้วไม่มีอะไรให้ละอีกแล้วไม่ต้องละอีกแ ล, ล้วละทีเดียวละครั้งเดียวแล้วสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ความอยากไม่เกิดขึ้นในใจอีกต่อไปแล้วจะเกิดแต่ความต้องการทางร่างกายนะแต่ความอยากทางใจความหิวของใจไม่มีความหิวของกายมีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายต้องการพักผ่อนหิวโหยต้องการกินอาหารอะไรเงี้ยมีแต่ความหิวทางใจไม่มีอีกความหิวทางใจคือตัวตันหานั่นเองใจก็เข้าถึงความเป็นอิสระไม่ถูกตัหาบีบคัน้น เป็นอิสระอย่างแท้จริงตัวนั้นคือตัวนิโรธตัวนิพพานรู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วก็ละสมุทยัยละสมุทัยนะัจิตหมดความหิวโหวยนะจิตเข้าถึงบร ม, มสุขสันติสุขจิตที่หิวโหวยก็ดิ้นรนความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพดันั้นมีตัณหาขึ้นมาก็เกิดภพคือความดิ้นรนทางใจมีความดิ้นรนขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ นี่ต้องเห็นนะฟังเฉยๆแล้วไปอ่านตำรับตำราละเอียดยิบเลยไม่เห็นหรอกพูดใจใจใจเห็นแล้วอนาถอริยสัจเนี่ยปฏิจจสุบัติลึกเหลือเกินพระโสดาท่านก็เริ่มเห็นปฏิจจสุบาตแล้วรู้สึกว่าไม่ลึกเท่าไหร่พระอานนท์ พระนุนไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิจจสมบาทนั้นที่พระองค์ว่าลึกซึ้งมากแต่ปรากฏแกบฆ่าพระองค์กับพระอ น, นุนะเป็นของตื้นๆไม่เห็นมีอะไรเท่าไรเลยพระเจ้บาบอกว่าอย่าอย่าพูดอย่างนั้นนะพระอ น, นุนปฏิจจสมบาทนี้ลึกนักถ้ายังไม่แจ้งปฏิจจสมบาทนั้นยังเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดพ้นวั ต, ตะไม่ได้เงืนการแจ้งปฏิจจสมบัตินไม่ใช่แจ้งด้วยการคิดเอานะ หรือเห็นบางส่วนคิดบางส่วนอย่งตอนนั้นพระนนท่านเป็นพระโสดาบันท่านเห็นบางส่วนแล้วท่านยังคิดบางส่วนท่านเห็นส่วนไหนท่านเห็นส่วนปลายมีอายตนาก็มีผัสสะมีผัสสะมีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหามีตัณหามีอุปาทานมีอุปาทานมีภพมีภพมีชาติมีชาติมีทุกข์นี้เห็นตรงนี้แต่ท่านจะไม่แจ้งว่ามีอวิชชาเจตนาตัวเจตนาตัวสังขารจึงมี เพราะตัวเจตนามีนะวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณมีจึงหยั่งลงไปหยั่งลงไปเมื่อปรากฏรูปนามขึ้นมาเวลาเราเข้าสมาธิลึกๆนะสมาธิลึกจนกระทั่งจิตดับพอจิตเกิดขึ้นมานะกรรมมันยังมีอยู่จิตเกิดขึ้นอีกมันจะเหมือนเปิดสวิตไฟขึ้นมามันจะขยายความรับรู้ออกมาจะรับรู้ทางใจ มีความรู้สึกทางใจขยายออกไปรู้สึกทางกายขึ้นมาขยายดังวิญญาณอย่างลงนะนํารูปก็เกิดขึ้นมีนามมีรูปก็มีอายตนะทํางานได้ลําพังมีแต่รูปธรรมนะอายตนะทํางานไม่ได้มีแต่ตาเนี่ยตามองไม่เห็นต้องมีจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตาด้วยตาถึงจะมองเห็นรูปได้ มีแต่จิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาแต่ไม่มีตาได้ ไ, ม, ไม่ได้เพราะจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาเกิดร่วมกับตาเกิดที่ตาเนีนยามรูปนะี่ยทำงานร่วมกันธรรมะของท่านลึกนะค่อยเรียนไปเอาวิชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจ ท, ที่ทำให้เกิดสังขารสังขารก็คือตัวเจตนาเนะนะั่นแหละไม่รู้แจ้งก็เจตนาอะไรขึ้นมา เจตนาอยากให้กายให้ใจเป็นสุขเจตนาอยากให้กายให้ใจพ้นทุกขนะ์เกิดโลภะเจตนาใจก็จะปรุงไปเกิดความปรุงทำอย่างนี้สิเราจะสุขทำอย่างงี้สิแล้วจะไม่ทุกข์ทำอะไรเร้จะสุขทำอะไรแล้วจะไม่ทุกข์ทำตามกิเลสสิแล้วไม่ทุกข์จะมีความสุข อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนทําตามกิเลสไปเราจะได้มีความสุขจะได้ไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่าไปปรุงฝ่ายชั่วขึ้นมาเียกอาปุญญาพิสังขารปรุงขึ้นมารากเง้าของมันก็คือใช้ให้กายให้ใจเป็นสุขจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทีก็ปรุงปุญญาพิสังขารต้องทําดีสิทําทานถือศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญาสิ ทำสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นต้นทางไปสู่ความพ้นทุกข์จริงแต่ตัวมันยังเป็นแค่กุศลอยู่ยังเป็นฝ่ายดีอยู่ตัวมันยังไม่ทําให้พ้นหรอกบางพวกก็คิดว่าถ้าไม่ต้องรับรู้อารมณ์เลยจะพ้นทุกข์พวกนี้ก็เข้าอารูปฌานไม่ต้องรับรู้อารมณ์มือไปเป็นปุ่มลูกฟักไม่รับรู้อารมณ์พวกนี้เรียกว่าอาเนญชาพิสังขารเป็นความปรุงของจิตอีกแบบหนึ่งยันปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้าง ปุงว่างๆไม่รับรู้อารมณ์บ้างเงี้ยถ้าเราได้ยินใครสอนนะทำจิตให้ว่างต้องรู้นะว่านี่คําสอนให้ไปสู่อนเนชชาพิสังขารเป็นคําสอนที่มีอวิชชาเป็นรากเป็นเงาคําคสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีท่านสอนให้มารู้กายรู้ใจใกายกระใจนี้แหละเรียกว่าโลกรูปนามกายใจนี่แหละคือตัวโลก มันเป็นส่วนหนึ่งของโลกใช่ไหมโลกข้างนอกกับโลกข้างในก็โลกด้วยกันร่างกายก็เป็นวัตถุธาตุเป็นส่วนหนึ่งของโลกนามาทำความรู้สึกทั้งหลายเป็นวิญญาณธาตุส่วนของวิญญาณธาตุไม่ส่วนของโลกฉันบอกพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงมาดูโลกอันวิจิตอย่าไปหนีโลกนะถ้าภาวนาแล้วอยากหนีโลกไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากยุ่งกับใคร ดังนั้นใจโน้มไปทางอเนจรชาพิสังขารมาเรียนรู้โลกโดยเฉพาะโลกคือกายใจโลกภายในคืกายกับใจของเหล่านี้เรียนให้มากเลยดูกายทํางานดูใจทํางานเนื้แยกเป็นส่วนๆไปเวลาดูไปดูเป็นองค์รวมให้แยกเป็นส่วนๆกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดู ความสุขความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าความปรุงดีปลุงชั่วไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าตัวจิตที่เกิดทางทวารทั้งหเรียกว่าวิญญาณจิตเนี่ยนะพอออกไปรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกท่านเลยเรียกวิญญาณมีหลายตัววิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจแต่เกิดทีละตัวท่านหลยเรียกว่าขัน วิญญาณขันธ์กองของวิญญาณมันมีหลายตัวไม่มีตัวเดียวแต่ว่าเกิดดับทีละตัวเวลาที่ตามองเห็นหูไม่ได้ยินเวลาที่หูได้ยินนะลิ้นก็ไม่รู้รสอะไร่งเงี้ยรู้ได้ทีละอนทีละอนเลยจะเป็นกองวิญญาณวิญญาณมีหลายตั ว, ม, ตวมีหกตัวเนี่ยแยกออกไปเรื่อยค่อยๆแยกแยกแย ก, แยกออกไปแล้วดูแต่ละตัว จงใจดูได้ไหมจงใจไม่ได้มาถึงขั้นที่เราฝึกจนขันมันแยกแล้วเนี่ยสติจะรู้กายหรือสติจะรู้เวทนาหรือสติจะรู้สังขารหลุงดีพลุงชั่วหรือสติจะไปรู้วิญญาณคือความรับรู้หรือจิตที่เกิดทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเลือกไม่ได้สติเป็นคนไปรู้เอง เพราะฉะนนถ้าถึงขั้นที่เราจเจริญวิปัสนาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีนะสายกายสายจิตไม่มีเลยไม่มีสายไหนเลยเพราะเลือกไม่ได้ในพระสูตรมีอยู่อันนะบอกพระนนท์คืนสุดท้ายที่ภาวนาเรบรรลุพระอรหันต์ในตอนเช้ามืดคำภีร์บอกพระนนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากคือมีสติอยู่ในกายดูกายเป็นส่วนมาก เ็นไหมไม่ใช่ส่วนเดียวถึงจะดูกายเป็นส่วนมากก็ไม่ใช่ดูกายอย่างเดียวนะเพราะว่าสตินันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้มันจะรู้กายนะกายเด่นขึ้นมามันก็รู้กายเวทนาเด่นขึ้นมามันก็รู้เวทนาสังขารเด่นขึ้นมามันก็ไปรู้จิตปลุงดีปลุงชั่วอะไรหรือความรับรู้ทางอายตนะเด่นขึ้นมาไปรู้ วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็ได้ดูตรงอยายตนะมีความเสียงบางคนดูออกนอกเลยบางคนดูแล้วไปเพ่งไว้ตรงที่การกระทบผัสสะไม่ได้เห็นวิญญาณเกิดดับทางอยายตนะอันนั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ทีเดียวไปเพ่งรูปที่ตามองเห็นอันนี้ก็เพ่งเป็นสมถะไปเพ่งผัสสะการกระทบอารมณ์ระหว่างตากับรูป กระจรวมกันนะในปัสสะก็เพ่งเป็นสมถะไ่เพ่งจิตที่เกิดขึ้นเฉยๆไม่เพ่งอยู่เฉยๆกับความรับรู้ทางตาก็เป็นสมถะเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงจะเดินมีปัสสนาละเอียดมากนะขนาดท่องตำรับตํารามาก็ยังทําผิดอีกถึงเวลาลงมือทําก็ทําผิดอีกไปเพ่งหมดเลย หาคนที่เห็นรูปนามเกิดดับได้จริงๆหายากพระริยะถึงหายากถ้าเห็นได้แล้วไม่นานก็เป็นพระริยะจะได้ธรรมะถ้าไม่เห็นไม่ได้ธรรมะเนาะคิดเอาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ธรรมะวิเพ่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้ธรรมะคิดเอาก็ฟุ้งซ่านไปเพ่งเอาก็ตึงเครียดไปเป็นความสุดต่งสองข้างเรอเห็นเนามีปัสนาคือเห็นเท่านั้นเองปัฏฐานวการเห็น เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไม่ลืมเห็นถ้าลืมเห็นเนี่ยหย่อนไปหลงไปถ้าเห็นไม่ให้คลาดสายตาเลยจ้องเอาไว้นะตึงไปสุดโตกไปสองข้างเห็นอย่างที่มันเป็นสบายสบายสติะระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์แสดงอยู่ในกายสติะระลึกรู้เวทนาจิตเป็นคนดูอยู่ก็เห็นไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่เวทนาคือความสุขทุกข์ จิตตั้งมั่นอยู่สติไประลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดก็เห็นไตรลักษณ์ของกุศลและอกุศลทั้งหลายความโลภก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์โกรธหลงก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นไหมไม่ว่าจะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นอะไรนะเห็นธรรมอะไรก็ตามเถอะสุดท้ายเห็นไตรลักษณ์ฉะนั้นวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่เห็นกายไม่ใช่เห็นจิตไม่มีสายกายสายจิตหรอกเพราะอะไร สติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ในกายสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ในเวทนาสติระลึกรู้จิตตสังขารก็เห็นความปรุงดีปรุงชั่วนะมันเกิดมาตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สติระลึกรู้จิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกก็เห็นจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อีกเนี่ยวิปัสสนานะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะไม่ใช่เห็นรูปเห็นนามนะ บางคนนั่งเถียงต้องดูกายถึงจะเป็นวิปัสสนาบางคนก็ว่าต้องดูจิตถึงจะเป็นวิปัสสนาเถียงกันผิดทั้งคู่ต้องดูไต ร, ล, ตรลักษณ์ไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่ไหนแสดงในขันห้านี้มีหมดอ่ะสติะระลึกรู้กาย ก, ายก็เห็นไตรลักษณ์สติะระลึกรู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์สติะระลึกรู้จิตตสังขารก็เห็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้จิตที่เกิดทางทวารทั้งหกก็เห็นไตรลักษณ์ เห็นซ all kind of right in ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดจิตมันสรุปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาเนี้ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยเวลาเกิดความรู้รวมยอดในธรรมะนะที่เป็นพระโสดาบันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาบางท่านก็ลึกซึ้งเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปอันนี้ท่านเห็นอนัตตา ไม่ยากนะพวกพวกเราพอทำเป็นแล้วล่ะขันมันเริ่มแยกถ้าทำนะด้วยใจที่เอาออกนะบารมีมันจะเต็มไม่ได้เอาเข้าเสียสละทําทานไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรนะแต่ดีใจแล้วมีความสุขแล้วที่เห็นคนอื่นมีความสุขหรือทำให้กับพระศาสนาดีใจแล้วเห็นพระศาสนายั่งยืนไม่ใช่จะเอาอะไร ถือศีลก็ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรนะถือศีลเพื่อว่าจะได้ขัดเกลาตัวเองเอากิเลสออกจากใจไม่ยอมทําตามใจกิเลสทําสมาธิก็ไม่ได้คิดจะเอาอะไรหูทิพตาทิพเจตตเจโตบาง <c oughs> นคนก็อยากอยากยา ก, ยากมีเจโตไม่รู้หรอกว่ามีโทษมีภัยมากนะไปรู้คนอื่นแล้วมันจะไม่เห็นของตัวเองจะเห็นของตัวเองยากเพราะจิตจะเคยชินออกนอก นั้นถ้าทำสมาธินะเพื่อจะเอานิวรณ์ออกจากใจไม่ใช่เพื่อเอาอะไรหรอกเพื่อลดล่ากิเลสในใจอะไรได้จิตใจมันได้พักผ่อนมีความสงบบ้างก็จะได้มีกําลังมาปฏิบัติต่อไออย่างนี้ก็บารมีแรงนั่งสมาธิอยากได้น้นอยากได้นี่อยากมีเจโตอยากระลึกชาติอยากมีหูทิพตาทิพไงไอ้อย่างเนี้ยนะไม่บารมีไม่เต็มหรอก มันจะเอาโน้นเอานี่ไปเลยสนองกิเลสไปเลยถ้าพอนานะเอากิเลสออกจากใจไปเนนรื่อยๆลดละกิเลสไปเรื่อยๆนะก็เต็มเร็วบารมีบางตัวดูง่ายนะแต่ว่าเต็มยากทำไมพระโพธิสัตว์นะมาเต็มเอาที่ฐานนั้นบารมีเห็นไหมแปลกไหมบาเพ็ญบารมีนะสารพัดมาเลยแต่มาลงท้ายลงที่ฐานนบารมี ล้าสละลูกสละเมียสละชีวิตสละทุกสิ่งที่อย่างนะเพื่อจะได้ธรรมะได้ธรรมะไม่ใช่เพื่อจะเอาธรรมะนะเพื่อจะไปช่วยสรรพสัตว์ใจขนาดนั้นคนะือท่านเสียสละสูงมากเลยระหว่างลูกสองคนเนะมียนหนึ่งคนนะถ้าท่านรักคนคู่นี้นะแล้วคนและสัตว์อีกจำนวนนับไม่ถ้วนเนะี่ยจะถูกท่านทอดทิ้ง ท่านปล่อยคนสามคนนี้ก่อนเริ่มทั้งปล่อยตัวเองด้วยถ้าใครมาขอชีวิตก็จะให้นะเพื่อจะได้ธรรมะมาธรรมะได้มายากนะกว่าจะได้มากว่าพระโพธิสัตว์จะได้ธรรมะมานะี่ยากเย็นแสนเข็ญเลยพวกเราได้ง่ายเดี๋ยวนี้เปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอละเนี่ยหลวงพ่อเทศตั้งแต่เช้ายัยานค่ำค่ำยันสว่างหลวงพ่อเทศไม่เลิกเลยฟังไหมไปฟังงฟังเพื่ออะไรให้จิตสงบ ไม่ตรงวัตถุประสงค์ทีเดียวก็ฟังจริงๆก็ให้รู้วิธีปฏิบัติแนละเอาไปลงมือปฏิบัติไปดูกายดูใจเอาไม่ใช่ฟังให้จิตสงบนั่นตื้นไปนั่นแค่สมาธินะไปฝึกนะค่อยๆฝึกของเราไปมันไม่ยากหรอกค่อแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยดูธาตุดูขันทํางานไปเรื่อยไม่ได้ฝึกเอาอะไรหลวงพ่อถึงสอนเรื่อยๆว่าพวกเราภาวนาปฏิบัติทุกวันนะ ถือว่าเป็นพุทธบูชาบูชาพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรเข้าตัวอันนี้เป็นอุบายนะอุบายบอกเลยว่าเป็นอุบายพอเสร็จแล้วจะได้ทั้งหมดเลยทำเป็นไม่เอาไว้ก่อนบางคนทําบุญแล้วยังคอยจ้องไม่ขาดไม่ได้ทาจริงงั้นเราเสียสละนะลำบากอดหลับอดนอนนะอดกินของอร่อยอดเที่ยวอดอะไรนะ มาทากเป็นภาวนาภาวนาก็ถือว่าแทนคุณพระพุทธเจ้าท่านได้ธรรมะามาด้วยความลำบากลำบากมากเลยกว่าท่านจะได้มาเราจะได้ของง่ายๆต้องลงทุนลงแรงหน่อยลงทุนลงแรงขนาดท่านก็คงไปไม่รอดเนาะไปไม่ไหวอาศัยบารมีท่านท่านสอนอะไรให้ทําอะไรเราก็ทําท่านห้ามอะไรเราก็อย่าไปทํานะ ไปดูอะไรที่ท่านห้ามก็ไม่ทำอะไรที่พระท่านบอกให้ทำก็ข ย, ยันทำถือว่าแทนคุณท่านถ้าวางใจได้อย่างนี้นะมักผลไม่ไม่ไกลหรอกมันไม่ได้ทำเพื่อจะเอาคิดทำไปด้วยความกระตันอยู่ของเราต่อพระพุทธเจ้านะทำไปออาไปทานขะ้าวนะ